เช้าวันนี้เนี่ยนั้นะเราลองถามตัวเองก็ดีนะว่ามีสิ่งดีๆอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงขณะ น, นี้เราได้พบสิ่งดีๆอะไรบ้างบางคนนึงไม่ออกนะแต่ที่จริงเนี่ยอาการที่เรามีอาหารในเช้าเนี่ยนะ มันก็เป็นสิ่งดีๆอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นกับเราเพราะถ้าเราไม่มีอาหารนะเราคงจะหิวนะอาหารก็ทำให้เรามีกำลังวังชาเป็นสิ่งดีๆอย่างหนึ่งนะที่เราควรจะจรหนักแลวลองดูนะมันมีอะไรมากกว่า น, นั้นนะนอกจากอาหารเนี่ย อาจจะเป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสอาจจะเป็นดอกไม้ที่เราเห็นอยู่ริมทางที่มันทำให้เราเบิกบานใจอาจจะเป็นเสียงนกร้องนะในยามเช้าหรือแม้ทางการที่มีแดดสาดส่องนะตั้งแต่เช้าเลยนะแทนที่ จ, จะ หมองมัวหรือมืดครึ้มนะแม้กระทั่งการที่เรามีร่างกายที่ปกติสุขนะอันนี้ไม่ใช่หรอนะเป็นสิ่งดีๆอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นกับเรานะในเช้าวันนี้แล้วถ้าเราเห็นพ่อแม่ลูกคู่ครองนะอยู่พร้อมหน้ากันอันนั้นก็เป็นสิ่งดีๆเหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งเกิดหายไปนะหรือว่าเจ็บป่วยหรือหนักกว่า น, นั้นนะมันไม่ดีแน่นอนนะแล้วเมื่อเรามองเห็นสิ่งดีๆนะที่เกิดขึ้นกับเราในเช้านี้หรือว่าในวันนี้นะเราควรจะรู้สึกขอบคุณด้วยขอบคุณสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรามีอาหารนะ ช่วยบรรเทาความหิวช่วยเพิ่มปุ๋มกําลังวังชาแล้วก็ขอบคุณอาหารแล้วขอบคุณไปถึงแม่ครัวนะที่ทำอาหารเนี่ยเรากินเมื่อเรารู้สึกว่าเนี่ยเช้า ว, วันนี้เป็นเช้าที่สดใสนะก็จะขอบคุณนะดวงอาทิตย์นะที่ทําให้เช้า ว, วันนี้เป็นเช้าที่สว่างสดใสลมแ้ะอากาศที่บริสุทธิ์นะ ขอบคุณนกที่ร้องขับขานนะอย่างไพเราะขอบคุณดอกไม้นะที่ให้ความสดชื่นเบิกบานกับเราหรือว่าขอบคุณร่างกายนะที่ยังมีสุขภาพดีรวมทั้งปอดหัวใจนะตับไตสมองขอบคุณสิ่งเหล่านี้เราจะขอบคุณ คนรักรอบตัวนะที่ยังอยู่กับเราหรือขอบคุณเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้คนรักนี่เขายัง อ, อยู่กับเราพร้อมหน้าเนี่ยให้ความรู้สึก ข, ขอบคุณเนี่ยมันให้ความรู้สึก ด, ดีกับเรานะเวลาเรามองเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเช้า ว, วันนี้เนี่ยหรือว่าทั้งวันเนี่ยตัวมันเองก็ทำให้เรารู้สึกดีอยู่แล้วนะ แต่ถ้าเราทําอีกนิดนะก็คือว่าขอบคุณสิ่งเหล่านี้หรือเหตุปัจจัยที่ทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเรามันก็ทําให้ความรู้สึก ด, ดีเพิ่มขึ้นอาจจะคูณสองคูณสามเลยก็ได้เปลี่ยนสิ่งดีๆให้กลายเป็นความรู้สึกขอบคุณแล้วคนเรานี่ถ้อหาว่ามันรู้สึกขอบคุณนะหรือว่ามีความรู้สึกขอบคุณเกิดขึ้นบ่อยเนี่ย นอกจากมันทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นนะม่งทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันแต่ละวันในแต่ละช่วงเนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยมันทำให้เราเนี่ยไวต่อสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราหรือว่าสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวอันนี้เนี่ยมันสำคัญนะเพราะเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ย ไว่ต่อสิ่งที่ไม่ดีเวลาสิมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีอได้ไว้ได้เร็วและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสิ่งไม่ดีพรั่งพรูมาให้เรารับรูน้นี่เยอะมากนะถ้าเปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยโอ้ยข่าวสารที่ทําให้วิตก ข้อความที่ทำให้ขุนมัวเรื่องราวที่ทำให้หัวเสียเนี่ยมันมีเยอะมากเลยท่านั้นไม่พอนะไอความรู้สึกที่ไวต่อสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแย่นะเป็นทุกวิตกกังวลเครียดหงุดหงิ ด, ดหัวเสียตั้งแต่เช้าเลยจริงจริงสิ่งดีๆมันก็มีนะแต่ว่าเราไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่ บางทีมันปรากฏอยู่ข้างหน้าเรานะแต่ว่าเราไม่เห็นนะเพราะว่าใจเราไม่ไหวพอบ่อยครั้งเนี่ยไอ้สิ่งไม่ดีนะกับสิ่งดีดีมันก็อยู่คู่กันนะอยู่ใกล้เคียงกันแต่หลายคนเนี่ยเห็นแต่สิ่งไม่ดีนะไอ้สิ่งดีดีมองไม่เห็นนะทั้งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเช่นเดินผ่านสนามหญ้าเนี่ยก็เห็นแต่ขยะนะ ถึงถูกพลาสติกที่คนทิ้งไว้แต่ไม่เห็นดอกญ้านะ้ที่มันบานสวยเลยขยะกับดอกย้ามก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละแต่ทําไมบางคนเห็นแต่ขยะเพราะเขาไวแต่สิ่งที่ไม่ดีไอ้สิ่งดีๆเนี่ยบอกไม่เห็นเพราะใจไม่ไหวพอเห็นขยะมก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าก็ควรจะเห็นดอกญ่าด้วย มันบาแล้วก็ทําให้เราสดชื่นสดชื่นแล้วก็รู้สึกขอบคุณไอ้ความรู้สึกขอบคุณเนี่ยอย่างที่บอกนะมันมันทำให้เรารู้สึกดีนะเวลาเรารู้สึกขอบคุณกับอะไรก็ตามกับใครก็ตามเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่เป็นกุศลขึ้นมาและความรู้สึกที่ว่านี้มันก็เรียกว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วถ้าเรารูร้รู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆ บ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการเติมความสูงให้กับเราได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไวนะต่อสิ่งดีๆที่อยู่ข้างหน้าหรือที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราหลายจิงหลายอย่างเนี่ยมันเราเห็นเนี่ยจนเจนตาก็เลยกลายเป็นไม่สำคัญไป แต่สิ่งแย่ๆที่เราเห็นอยู่วันแล้ววันเล่าเนี่ยนั่นก็ยังคอยทิ่มตาเราทิ่มใจเราเพราะว่าเราไวนะต่อสิ่งที่ไม่ดีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในตัวนะแต่ถ้าเรามองเห็นแต่สิ่งไม่ดีเนี่ยเราก็จะเครียดเราก็จะหงุดหงิดง่ายแต่ถ้าเรามองเห็นด้านดีของมันบ้างน ะ, ะมันก็ช่วยทําให้เรา มีความสุขมีความหวังอันนี้เป็นวิธีการเติมสุขให้ใจอย่างง่ายๆนะยังไม่ต้องไปดิ้นรนนะแสวงหาสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลตัวไปเที่ยวห้างไปต่างประเทศนะหรือว่าไปสังสรรค์กับใครเนี่ยแค่อยู่ตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเออมันก็ สามารถจะมีความสุขได้ง่ายเพราะว่าเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวนะที่เห็นได้เพราะมันใจมันไวและที่ไวเห็นได้เร็วนะก็เพราะว่ามันฝึกใจให้รู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆอยู่เสมอนะแม้บางเรื่องดูเหมือนธรรมดาสา ม, มัญ น, นะแต่ว่ามันมีค่านะเชนการที่เรามีอาหารกินเนี่ยมันมีเกียวมีกินทุกวันนะ แต่วันไหนที่ไม่มีกินเลยเดือดร้อนเลยมีบางคนพูดว่าเนี่ยเรื่องกินนี่เรื่องเล็กแต่ถ้าไม่มีกินนี่เรื่องใหญ่นะจริงๆเรื่องมีกินก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะถ้าไม่มีกินนี่ก็ทุกนะเราะฉนั้นเราฝึกเอาไว้นะมันจะเป็นการฝึกฝึกจิตแบบง่ายๆที่ช่วยเติมสุขให้กับเราและทุกขช่วยทําให้เรามีกําลังนะ ทั้งกำลังใจกำลังกายในการดำเนินชีวิตไม่ได้เห็นแต่ปัญหาเห็นแต่อุปสรรคนะแต่เห็นสิ่งดีๆที่มันช่วยทำให้เราสดชื่นเบิก บ, บานด้วย